สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่สองสิบสี่เรื่องคําไว้อาลัยของพระเยซูพี่น้องครับพจนะพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมยอนบทที่ห้าข้อที่สามสิบสามจนถึงข้อที่สี่สิบเจ็ดครับยอนบทที่ห้าข้อที่สาสิบสามจนถึงข้อที่สี่สิบเจ็ดครับโปรดฟังพจนะของพระเจ้าทั้งหลายได้ใช้คนไปหายอน และยอนก็ได้เป็นพยานให้แก่ความจริงมิใช่ว่าคําพยานซึ่งเราได้รับนั้นมาจากมนุษย์แต่ที่เรากล่าวสิ่งเหล่านี้ก็เพื่อให้ท่านทั้งหลายรอดยอนเป็นโคมที่จุดสว่างสวยัยและท่านทั้งหลายก็พอใจที่จะชื่นชมยินดีชั่วขณะหนึ่งในความสว่างของยอนนั้นแต่คําพยานที่เรามีนั้นยิ่งใหญ่กว่าคําพยานของยอนเพราะว่างานที่พระบิดาทรงมอบให้เราทําให้สําเร็จงานนี้แหละ ที่เรากําลังทําอยู่เป็นพยานให้แก่เราว่าพระบิดาทรงใช้เรามาและพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาพระองค์เองก็ได้ทรงเป็นพยานให้แก่เราท่านทั้งหลายไม่เคยได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์และไม่เคยเห็นรูปร่างของพระองค์และท่านทั้งหลายไม่มีพระดํารัสของพระองค์อยู่ในตัวท่านเพราะว่าท่านทั้งหลายมิได้วางใจในพระองค์ผู้ที่พระบิดาทรงใช้มานั้นท่านทั้งหลายคนดูในคัมภีร์ เพราะท่านคิดว่าในนั้นมีชีวิตนิรันต์และพระมพีนั้นเป็นพยานให้แก่เราแต่ท่านทั้งหลายไม่ยอมมาหาเราเพื่อจะได้ชีวิตเราไม่คอยรับเกียรติจากมนุษย์แต่เรารู้ว่าท่านไม่มีความรักพระเจ้าในตัวท่านเราได้มาในพระนามพระบิดาของเราและทั้งหลายพี่ได้รับเราถ้าผู้อื่นมาในนามของเราของเขาเองท่านทั้งหลายก็จะรับผู้นั้นผู้ที่ได้รับยศศักดิ์จากกันเอง และมีได้แสวงหายศักดิ์ซึ่งมาจากพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแต่องค์เดียวท่านจะเชื่อผู้นั้นได้อย่างไรอย่าคิดว่าเราจะฟ้องท่านทั้งหลายกับพระบิดามีผู้ฟ้องท่านแล้วคือโมเสสผู้ซึ่งท่านทั้งหลายหวังใจอยู่ถ้าท่านทั้งหลายเชื่อโมเสสท่านทั้งหลายก็คงจะเชื่อเราเพราะโมเสสได้เขียนกล่าวถึงเราแต่ท่านทั้งหลายไม่เชื่อเรื่องที่โมเสสเขียนแล้วท่านจะเชื่อถ้อยคาของเรา อย่างไรได้พี่น้องครับเรื่องราวที่เราจะเรียนรู้ในเช้าวันนี้นั้นเป็นเรื่องราวชีวิตของคนคนหนึ่งที่ได้ถวายอุทิศให้ทุ่มเททั้งหมดจนกระทั่งเสียชีวิตของตนผู้นั้นคือยอนครับแต่นี่คือคําไว้อาลัยของพระเยซูที่มีต่อยอนพี่น้องครับ ย อ, อนั้นเป็นผู้ที่จัดเตรียมหนทางสําหรับพระเยซูที่จะเริ่มปฏิบัติพระราชกิจของพระองค์ย อ, อนั้นเป็นผู้ที่พระกรมภีร์หรือศาสดาพยากรเรียกหรือให้ฉายาของเขาว่าเป็นผู้ที่จัดเตรียมมันคาขององค์พระผู้เป็นเจ้านี่คือผู้ที่ยิ่งใหญ่มากนะครับย อ, อนั้นผู้ให้แบัพติศมันถือว่าเป็น ประกาศศกหรือเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐหรือเป็นผู้พยายกรณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งนะครับพระเยซูตรัสไวในข้อที่สามสิบห้าเป็นคำไว้อะไรที่มีคุณค่าสูงเป็นคำไว้อะไรที่พวกเราเองนั้นหากว่าเราจะได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเราคงจะมีความภาคภูมิใจ พระเยซูกล่าวครับว่ายอนเป็นโคมที่จุดสว่างสวัยประโยคของพระเยซูที่ชมและไว้อาลัยยอนที่ได้จากไปนั้นเป็นประโยคที่มีคุณค่าสูงมากครับเป็นประโยคที่เป็นคำชมเชยจากองค์ผู้เป็นเจ้าเป็นประโยคที่ถือว่าเป็นคำไว้อาลัยนะครับการจากไปของยอนในครั้งนี้ หน้าที่ของยอหนนะครับก็คือเป็นพยานเป็นพยานถึงใครครับถึงพระเยซูในข้อสาสิบสามครับพระเยซูตรัสว่ายอหนเป็นพยานถึงความจริงพยานที่ดีจะกล่าวถึงความจริงตามที่ตนทราบเราจงคงจำได้นะครับว่ายอหน์นั้นพูดอย่างไรกรีกับพระเยซูในมัทธิวบทที่สามข้อสิบเอ็ดนะครับยอหนกล่าวว่าพระองค์ผู้จะมาภายหลังเรา ทรงมีอิทธิฤทธิยิ่งกว่าเราอีกซึ่งเราไม่คู่ควรแม้จะถอดฉลองพระบาทของพระองค์พระองค์จะทรงให้เจ้าทั้งหลายรับบัติสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟพระเยซูไม่ได้ทรงอาศัยคำพยานของมนุษย์นะครับแต่ยอนผู้ให้บาิบสมานี้เทศนาเพื่อช่วยเหลือประชาชนเพราะพวกเขานั้นตกอยู่ในความมืดยอนชี้ให้พวกเขามาถึงความสว่างก็คือพระเยซู ซึ่งเป็นความสว่างแท้เป็นความสว่างเดียวสิ่งที่ย้อนต้องการก็คือให้พวกเขานั้นได้รับความรอดย้อนกล่าวไว้ในพระธรรมย้อนบทที่หนึ่งข้อที่หกถึงข้อที่แปดอย่างนี้นะครับว่ามีชายคนหนึ่งที่พระเจ้าทรงใช้มาที่ย้อนท่านมาเพื่อเป็นจักขีพยานเพื่อเป็นพยานให้แก่ความสว่างนั้นเพื่อคนทั้งปวงจะได้มีความเชื่อเพราะท่านท่านไม่ใช่ความสว่างนั้นแต่ท่านมาเพื่อเป็นพยานให้แก่ความสว่างนั้นเพียงครับนี่คือ เหตุการณ์หรือเป็นคําที่ยอนผู้บันทึกพระกิติคุณเขียนนะครับเขียนรีเฟอร์หรืออ้างอิงถึงยอนผู้ให้บาปทิศมาว่ายอนผู้ให้บาปทิสมานั้นมาเพื่อเป็นสักขีพยานครับเป็นพยานให้กับพระเยซูซึ่งเป็นความสว่างแท้ถามว่าเป็นพยานเพื่ออะไรครับเพื่อให้มีความเชื่อเพื่อให้คนฟังได้มีความเชื่อแต่ท่านเองอนะยอนเองไม่ได้ความสว่งงางนั้นไม่ได้เป็นความสว่งงางนั้นแต่มาเพื่อเป็นพยาน พระเยซูตรัสไว้นะครับในข้อที่สามสิบหกของยอห์นบทที่ห้าบอกว่าคำพยานที่ทรงมีอยู่นั้นยิ่งใหญ่กว่าคำพยานคำพยานของยอห์นคำพยานที่พระเยซูทรงมีและทรงเป็นอยู่นั้นยิ่งใหญ่กว่าคำพยานของยอห์นงานที่พระองค์ทรงกระทำนั้นเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงอยู่ในพระเยซูจริงๆครับยอห์นได้กล่าวไว้แต่พระองค์ทรงพิสูจน์โดยอะรครับโดยงานที่พระบิดาทรงมอบให้เราทําเราจะทำให้สำเร็จ นี่ครับคือการส่งลูกหรือส่งไม้ต่อระหว่างยอนผู้ให้บัพติศมากับพระเยซูเราเห็นนะครับว่าพระเยซูก็ทรงกล่าวไว้อีกด้วยในตอนนี้ว่าพระเจ้าพระบิดานั้นจงเป็นพยานว่าพระเยซูเป็นตามที่ยอนได้เป็นพยานว่าพระเยซูทรงเป็นพี่น้องจําได้ไหมครับว่าพระเจ้าตัดไงขณะที่พระเยซูทรงขึ้นจากน้ําพระเจ้าตัดว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเรา เราชอบใจท่านมากที่ริมแม่น้ำจอแดนเนี่ยนะครับพี่น้องคงจําได้พี่น้องครับยอนเป็นผู้ที่จัดเตรียมหนทางให้กับพระเยซูเพื่อให้พระเยซูเสเด็จมาเมื่อประชาชนถามยอนครับว่าท่านคือพระคริสต์ที่พวกเรารอคอยอยู่หรือเปล่ายอนตอบว่าข้าพเจ้าไม่ใช่พระคริสต์ข้าพเจ้าคือเสียงของผู้ร้องในถิ่นธุรกันดาร น, นี่คือคําพยานครับคำพยานนั้นจะไม่ยกตัวเอง ธรมยานั้นจะยกย่องพระเยซูยอนได้กระทําสําเร็จตามเป้าหมายในชีวิตของตนและพระเยซูทรงรักยอนและด้วยเหตุนี้ครับเมื่อยอนถูกขังคุกพระเยทรงทรงยืนยันถ้อยคำที่ยอนประกาศและเทศนาตราบแม้กระทั่งพระองค์เองเช่นพชนและคําที่ยอนเทศนาตรงกับคําที่พระเยซูเทศนาครับว่าจงกลับใจเสียใหม่พี่น้องครับการกลับใจใหม่นั้น เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นกุญแจดอกสำคัญที่สุดที่จะทำให้คนนั้นมาเป็นลูกของพระเจ้าที่จะทำให้คนเราที่เคยเป็นลูกของพระเจ้าดำรงตนอยู่ในความเป็นลูกของพระเจ้าต่อตลอดไปต่อไปนั่นคืออุปนิสัยของการกลับใจเสียใหม่แม้ท่านคริสเตียนทุกวันนี้นะครับเราก็ต้องกลับใจเสียใหม่ในความบาปต่างๆที่เราได้ทาอยู่ในแต่ละวัน ที่น้องครับการกลับใจเสียใหม่ถือว่าเป็นกุญแจดอกที่สําคัญที่สุดนะครับซึ่งจะต้องพัฒนาเป็นปุบปันิัยของคริสเตียนเราในตอนท้ายของพระคัมภีร์ตอนนี้พระเยซูตัดเกี่ยวกับโมเสสครับชาวยิวนั้นกล่าวอ้างว่าตนเป็นสิทธิ์ของโมเสสถ้าโมเสสอยู่ที่นั่นด้วยนะครับโมเสสคงจะตัดสินโทษคนเหล่านั้นที่ไม่เชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์ที่โมเสสได้เขียนถึงนะครับนี่คือเรื่องที่น่าขันนะครับในขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าเสียใจ เพราะว่าใกล้เกลือกินดังนะครับไม่ยอมฟังคำของยอนผู้ให้บัพติศมาไม่ยอมฟังของแท้ของจริงสัจธรรมแท้คือพระเยซูคริสต์โดยที่ตัวเองหลงมโนครับว่าตัวเองนั้นเป็นสิทธิ์ของโมเสสโมเสสจะตัดสินคนเหล่านั้นที่ไม่เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ที่โมเสสเขียนถึงพี่น้องครับ เป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะครับแต่ขณะเดียวกันเรารู้ว่าเมื่อยอนอยู่ในโลกนี้ยอนนั้นได้รับความทุกข์ยากลาบากยอนผู้ให้บัพมานั้นได้รับความทุกข์ยากลาบากได้รับการข่มเหงในที่สุดนั้นเขาจะต้องตายนะครับและเมื่อเขาตายพระเยซูทรงไว้อาลัยเขาพระเยซูทรงชมเขาว่าขายอนเป็นโคมที่จุดสว่างสวยัยที่น้องครับเราจะรู้สึกยังไงครับถากพระเยซูชมเราว่าเรา เป็นโคมที่จุดสว่างไสวหรือเราเป็นธาตุที่ดีและสัจรีผมเองคงจะภูมิใจมากแต่ผมเองคงไปไม่ถึงเพราะอะไรครับเพราะว่าอาจจะไม่ได้หนึ่งในสิบของยอนครับพวกเราทั้งหลายทุกคนก็คงจะดีกว่าผมแต่พี่น้องครับยังไงก็ตามครับเป้าหมายของเราต้องยึดไว้ให้แน่นวิถีของเรา การดำเนินชีวิตในการเป็นพยานในการรับใช้พระเจ้านั้นต้องทุ่มเทอุทิศถวายครับถวายของที่ดีที่สุดให้กับองค์พระผูผ้เป็นเจ้าไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใดก็จงทำเสมือนทำถวายพระเยซูอาเมน